ร้อนไหมอัดลมไม่พออาจะไปนั่งข้างนอกเพราะปัญหาสองอย่างหาเรื่องเสียงก็เรื่องยุงเนาะข้ามยุงตัวใหญ่ๆแต่ก็ได้เจริญสติหายร้อนเนาะชาวพุทธของเราส่วนใหญ่ทำบุญเช่าทำบุญแต่ไม่ละบาปก็เลยบุญไม่เต็มสักทีหนึ่งพากันทำบุญแต่ ผิดศินนั่นนะกินเล่าว้างเถิดเทิงบ้างแล้วรำทำเรลงก็ทําให้แล้วยว่าชอบทําบุญแต่ไม่ละบาปแล้วบุญก็เลยไม่เต็มเสียทีหนึ่งแต่ความจริงการละบาปมันได้ทําบุญไปในตัวแต่ชอบทําบุญแต่ไม่ละบาปมันก็เลยทําให้ช้าบุญเต็มช้าแต่ถ้าหากละบาปแต่ไม่ทําบุญโดวยวัตถุแต่ก็ได้ทําบุญด้วยใจไปแล้วะ ดันั้นเรามานี่ทำบุญด้วยวิอลละบาปละอกุศลและทำทั้งหลายได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลนะกุศลมันเป็นชื่อของความสบายและความสบายใจความเอิบอิ่มใจแล้วก็ บ, บุญแต่กุศลคือการทำเหตุของมันนะ ถ้าความอิ่มใจความสบายใจไม่ได้มาเองต้องมีเหตุมีเหตุให้ได้สบายใจและอิ่มใจเหตุของมันก็คือมีการงดเว้นอะไรบางอย่างที่เป็นอกุศลแล้วก็ชาระจิตให้ผ่องใสก็เป็นบุญละในเหตุของมันละบาปทำกุศลเราทำจิตให้สะอาดก็เป็น เป็นการทำกุศลบุญก็เป็นผลมาก็เรียกว่าบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุนะบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุ น, นั้นเองก็เราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลบุญจะได้เกิดง่ายๆแต่ชาวบ้านที่ไม่ภาวนานเนี่ยต้องจะทําบุญทีก็ ยากเหลือเกินนะต้องไปทำอะไรพิธีกรรมอะไรต่างๆแต่ถ้าหากว่าเรามาภาวนาแล้วเนี่ยเป็นการสร้างกุศลตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามาทำให้จิตใจให้สบายบุญก็เกิดละนะโดยการ <c oughs> มาดึงจิตมาอยู่กับปัจจุบันให้เป็นกลางเสมอเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสบายแต่พอเรามันไปคิดเนี่ย จิตมันก็จะเริ่มหนักคิดดีก็หนักแบบดีคิดร้ายก็หนักแบบร้ายคิดชั่วก็หนักแบบชั่วมันหนักเหมือนกันเช่นเราแบกก้อนหินกับแบกก้อนทองทองก็หนักแบบทองหินก็หนักแบบหินหนักเหมือนกันสู้ไม่แบกทั้งสองอย่างมันก็สบายบุญก็เกิดโบราณก็กว่าบุญต้องหาบาปต้องหามมันก็เลยหนักอพอๆกัน ดังนั้นเองเมื่อจะพูดเราเป็นอย่างเนี้มันก็เลยายากที่จะทําให้เกิดสติปัญญาเห็นโทษนะเห็นโทษของของกรรมเห็นโทษของบาปเห็นโทษของอกุศลเห็นโทษของทุกข์มาเห็นโทษนี่เราก็ต้องมาฝึกละนะมาฝึกฝนการฝึกฝนนี่เพื่อที่จะ เราจะได้ผ่านบทเรียนต่างๆที่มันยากเนั้นเองนะ <c oughs> บทเรียนที่ยา ก, ยากถ้าเราไม่มีการคำว่ากุศลนี่หมายถึงว่าการทำบทเรียนที่ฉลาดฉลาดทำบทเรียนทำบทเรียนแบบฉลาดจึงสร้างกุศลหมายถึงว่าพอเราแทนที่จะละบาปทำบุญนะเราไปทำใจให้สะอาด มันกะละได้ทั้งบาปทั้งบุญแทนที่จะไปละบาปทีละอย่างาละอย่างทําบุญทีละอย่างละอย่างพอเราชาระจิตให้สะอาดเพียงอย่างเดียวละทั้งบาปได้ parish, ทั้งกุศลไปในตัวนี่ก็เรียกว่าทําบุญแบบฉลาดคือชําระจิตนั่นเองชําระจิตให้สะอาดก็เรียกว่าฉลาดทําบุญ ช, ชําระจิตให้สะอาดคือฉลาดทาบุญเอาอะไรมาชําระ ก็คือเอาตัวสติสมัญญาเนี่ยไปละชละําำระในส่วนที่เป็นอ า, อากุศลการปรุงแต่งทั้งหลายความคิดทั้งหลายนี่แหละเพราะว่าเรามารู้ว่าความคิดเกิดอย่างไรใช่ไหมเวลาเรามาปฏิบัติความคิดเกิดอย่างไรแล้วความเพลินความคิดเกิดจากความเผลอแล้วก็การ ง่วงเงาขี้เกียจความเพลิดเพลินสนุสนานเกิดจากความเพลินนะความเพลินก่อให้เกิดความขี้เกียจความง่วงเหงาเฮานอนความาเบื่อหนาอ่ายอะไรต่างมันก็เพราะเราไปเพลินในสุขเวทนาแต่พอเรามา <c oughs> จเจริญสติเราก็เริ่มมองหาต้นเหตุนะ มองหาต้นเหตุว่าในส่วนที่เราจะต้องสร้างกุศลลจิตทำอย่างไรตั้งขึ้นตั้งขึ้นพระบอลไม่ชนเพราะนั่นเองก็เราจึงใช้วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเข้ามาสร้างตัวกุศลอีกทีหนึ่ง นนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ตัวเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายนะไม่ใช่ว่าไปเอาลมหายใจอย่างเดียวตอนนั้นเองเราจะต้องพยายามนะเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นความเคยชินต่างๆเปลี่ ย, ยนค่ามันสมัยโดยการเปลี่ยนให้มันเป็นปัจจุบันนะที่เมื่อก่อนที่เราเปลี่ยนเมื่อกันเปลี่ยนไปอดีตเปลี่ยนไปอนาคตนะ เปลี่ยนไปอดีตมันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลสมมุติเราเปลี่ยนไปอดีตไหลไปความสุขเปลี่ยนไปอนาคตไหลไปความทุกข์อะไรตรงนี้นพอเปลี่ยนกลับมาอยู่ปัจจุบันมันไม่ไหลไปทั้งสุขทั้งทุกข์คือไม่ไหลไปทั้งความเพลิดและความเตื่นความคิดก็ไม่เกิดนะปัญญามก็เกิดมาแทนความรู้เกิดมาแทนความคิดกับความรู้ที่ได้กล่าวไปบ่อยๆต่างกันใช่ไหมความคิด เปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้ความคิดหมายถึงว่าเราไม่มีสติในการคิดพอเรามีสติในการคิดความคิดก็เปลี่ยนเป็นความรู้แต่พอเราขาดสติในการรู้ความรู้าก็กลายเป็นความคิดเนี่เพราะฉะนั้นตัวสติสัญญาจึงเป็นตัวแปรสําคัญที่เราจะทําให้เราเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอาุสนให้เป็นกุศน ถ้าขาดสติสัมยากุศปนก็เปลี่ยนเป็นอกุศลด้วยกฎของอนิจจังทั้นตัวที่ได้ถามตอนกลางวันว่าตัวนามเนี่ยสติสัมยะเป็นเป็นนามรูปหรือเป็นรูปนามหรือเป็นนามล้วนลสติสมาธิสัมปชัญญะพวกนี้เป็นนามหรือเป็นรูปเป็นนามล้วนล้วนใช่ไหม ยังได้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นนามล้วนๆจะต้องอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นสติสมัชยะสมาธิปัญญาก็จึงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์เราก็มาเจริญสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นตัวที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวปรมามัตถธรรมแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่เป็นเราทำไม่เป็น คือหมาความว่าทำทำด้วยความอยากทำแล้วอยากจะได้มากทำแล้วอยากจะให้ดีทำแล้วอยากจะให้มีความสุขความสบายเนี่ยอันนี้ทําด้วยความอยากรู้รู้เหมือนกันแต่รู้ด้วยความอยากลักษณะรู้ด้วยความอยากสติตัวนี้เป็นมิจฉาสติหรือสมมสติเป็นมิจฉาสติมิจฉาสติก็จะเป็นรูปนามนามรูปหรือเป็นนามล้วนมิจฉาสติเป็นรูปนามหรือนามรูป อ่าเป็นนามรูปเมื่อเป็นนามรูปก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโกฎของไตรลักษณ์เห็นไหมมันก็มันก็เห็นได้ง่ายๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแหละแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องพิสูจน์อ่าพิสูจน์ไม่ใช่หาเหตุผลนะพิสูจน์ด้วยความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกมันบอกอะไรที่มันโล่งโปรง่งเบาสบายมันก็เป็นเหตุให้เกิดกุศล อะไรที่มันอึดอัดขัดข้องขัดค้องทางหนักหน่วงทวงทับมันก็ไปเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลนน่ น, นการที่เราใช้ตัวอนิจจงนะตัวอนิจจงอย่างมีสติโดยการในะสมมติว่าเราเดินเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นที่หนึ่งใช่ไหมเราเปลี่ยนพลิกซ้ายพลิกขวาเคลื่อนไหวก็เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ถ้าเราใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นศีลหิสติเพราะฉะนั้นตัวตัวรู้ตัวสำคัญตัวรู้สึกมั่นหมายรู้จักว่าอาการที่เราทําซ้ำๆเหล่านี้มันเกิดสัญญาสัญญาสัญญาเป็นความจาได้หมายรู้ มันหมายรู้ว่าอันนี้คือยกอันนี้คือเคลื่อนอันนี้คือหยุดแต่พอหมายรู้เรื่อยๆหมายรู้เรื่อยๆมันได้ชื่อใหม่ว่าไม่ใช่สัญญาธรรมดาแล้วเรธิระสัญญาคำว่าธีระสัญญาหมายถึงความจำได้หมายรู้ที่ต่อเนื่องกันไปรู้การเคลื่อนกัรรู้ต่อเนื่องไปรู้การอยู่ก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆการรู้อย่างต่อเนื่องนี่เองสัญญาจึงเปลี่ยนเป็นสติ ในสัตว์ในขันห้าไม่มีสติไม่มีควาว่าสติสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่พอมาทำความจำได้ในขันห้าตัวไหนเกิดเป็นสติก็คือตัวสัญญาพอสัญญาถูกเปลี่ยนมาเป็นตัวความต่อเนื่องสัมรู้รู้รู้จำได้ไหมรู้อย่างต่อเนื่องจำได้ไหมรู้อะไรจำได้ไหมรู้ว่ามีการเคลื่อนมีการหยุด มีการช้ามีการเร็วมีการหนักมีการเบาการจําได้ไหมรู้อาการเหล่านี้ไปเรื่อยๆรนั่นเองเรียกว่าถิละสัญญาแต่ถ้าหากว่ามันทำแล้วก็จบรู้ว่าหนักของเราก็จบแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะรู้ต่อไปตรงนั้นอันนี้คือสัญญาที่ในขันห้าแต่พอรู้อาการจําได้ไหมรู้ว่าหนักเบาเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนเรารู้ตอไปเรื่อย รักอาการนั้นก็ปรากฏไปเรื่อยๆไม่ใช่นึกเอาว่ามันหยุดมันเคลื่อนมันหนักมันเบาอันนี้ก็เป็นไม่เป็นสติแต่เป็นเพียงสัญญาแต่รู้ต่อเนื่องอากา ร, รมีการกระทําร่วมกันไปเรื่อยๆรู้จากสัมผัสจากความรู้สึกที่เป็นสัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อหมายว่าธิระสัญญาธิระแต่เ่อต่อเนื่องแปลว่ามันคงแปลว่ามันคงต่อเนื่องกันไป เดินจงกลมสร้างจังหวะต่อเนื่องกันไปเป็นจาก1นาทีต่อเนื่องเป็น2นาทีจาก2นาทีเป็น10นาทีเป็น30เป็นชั่วโมงไป3ชั่วโมงสีชั่วโมงไปเรื่อยต่อเนื่องกันไปสัญญาก็ถูกเปลี่ยนเป็นสติไปเรื่อยๆเพราะสติก็ไปเปลี่ยนเป็นอะไรสมาธิสมาธิก็เปลี่ยนเป็นปัญญาเห็นไหมในขันห้านี่เองมันงอก ตัวสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญตรงที่ทีละสัญตรงที่สัญญาแต่สัญญาตรวนี้นต้องเป็นถิละสัญญาพอมันเป็นศีนสมาธิปัญญาได้ failure, มันก็ไปเปลี่ยนเป็นแทนที่จะเป็นตัวปัญญาแทนที่จะกลายเป็นตัวสังขารกลายเป็นตัวยานวิญญาณแทนที่จะเป็นวิญญาณก็กลายเป็นยานอ่าเป็นญาน วินออกใช่ไหมวินหมายความว่ามันรู้ทีละขณะจบแต่ถ้ากากรู้ปัญญาเนนีะ่คือรู้แบบต่อเนื่องรู้ทางเดียวชัดชัดแต่วิญญาณห ม, มายความว่ารู้ทางตาบ้างรู้ทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างคือรู้หลายๆที่ก็เรียกวิญญาณแต่ถ้าหากว่ามารู้ชัดที่ใดที่หนึ่งก็เรียกว่าญาณเพราะนั้นในขันห้า ก็เกิดขันใหม่อีก3ใช่ไหมคืออะไรอ่ะศีลขันนอกจากรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเป็น8ปดไหเวลาเราไปอิสานอ้าวแต่งตั้งขันห้าขันแปดแต่ไม่ใช่ขันห้าแล้วเปลี่ยนไปขันแปดอ้าวแต่งขันห้าขันแปดมาแม่นบอกน้องบอกคนเรา ขันหน้ขันแปดนันก็ขันหน้ขันแปดก็บวกอีกสามขั้นเข้าไปจากขันห้ามันเปลี่ยนเป็นศีลสัมผัสอีกสางอกอีก3ามขั้นถ้าหากว่ามีแต่ขันห้าไม่มีขันแปดไม่ถึง8ปขันห้าก็อยู่ภายใต้ของตรลักษณ์แต่พอมันเปลี่ยนเป็นศีลสมผัสศีลสัมผัสปัญญาขันห้าถูกเปลี่ยนศีลก็อยู่เหนือไตรลักษณ์วิญญาณก็ถูกเปลี่ยนเป็นญาณ เห็นไหมแต่สติเปลี่ยนเป็นสัญญาเปลี่ยนเป็นสติสังขารก็เปลี่ยนเป็นปัญญาวิญญาณก็เปลี่ยนเป็นญาณเห็นมเป็ยนรูปไปอย่างน้เาเรียกก็ถอดบทเรียนจากขันหมาเป็นตัวตรลักษณ์เรียกว่าไตรลักษณ์ก็ถูกเปลี่ยนเป็นไตรสิกขาเพราะมีสติเป็นตัวแปรเห็นมันเปลี่ยนอย่างี้ ซึ่งรู้ไม่ยากนะแต่ที่นี้ว่าถ้าเราไปเรียนจากหนังสือเรียนจากพระไตรปิฎกมันจะถอดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันไม่รู้ที่ไปที่มาอันนี้เราถอดบุเรียนเพราะเราตั้งต้นที่เขาว่าสติความรู้สึกตัวแต่ถามว่าสติความรู้สึกตัวมาจากอะไรเราก็บอกว่ามาจากความจําได้หมายรู้ของการเคลื่อนการไว้การหนักการเบาที่เรารู้อยู่ที่เรารับอายุอยู่อาการเหล่านี้อาการเหล่านี้เป็นสัญญา แต่เรารู้ไปเรื่อยๆ ร, รู้แบบไม่หยุดมันก็เปลี่ยนสัญญานี้เป็นทีและสัญญาและทียะสัญญาก็เป็น definition ของคําว่าสตินะของคําว่าสติดังนั้นเองเมื่อเรารู้ที่ไปที่มาอย่างนี้ไอความรู้สึกของเราที่เราำอยู่มันก็ไม่สงสัยทําแบบไม่สงสัยอ่ะแต่ถ้าเราไม่มี การพิสูจน์ให้เห็นชัดอย่างนี้ทําไปสงสัยไปทําไปมันจะได้อะไรทํำไปมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเสียเวลาอย่างนู้มันก็คิดไปละมันก็เปลี่ยนเป็นความคิดละใช่ไหมเพราะมันเกิดความลังเลแต่พอเรารู้ที่ไปที่มาอ๋อทำนี้เราอยากจะอยู่ภายใต้ไตรักษหรือภายใต้ใตสีขาล่ะนะเราอยากอยู่ภายใต้สีขาเราก็ต้องมาทําตัวใจรักตัวใจสีขาให้เกิดเพราะใจรักนั้นมันก็จะเป็นไปตามสภาพหรือว่าธรรมชาติ แต่พอมันเปลี่ยนเป็นไตสิกขาแล้วเลือกธรรมะสัจจ์หรือสัจธรรมใช่ไหมเพรธรรมชาตินั้นหมายเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้มันมันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ต้องไปตามนั้นหมดมันไม่เป็นอย่างอื่นเป็นไปตามนั้นนะนั่งแเราก็ต้องหนักเดินทํางานเราก็ต้องเหนื่อยอากาศออกแดดออกตากแดดก็ต้องร้อน ตาฝนก็ต้องเปลี่ยไนไปตามกฎของมันอย่างนั่นแหละแต่ถ้าหาราะเรามีใจสิกขาแล้วฝนตกมาอาจจะไม่เปียกก็ได้แดดออกมาอาจจะไม่ต้องร้อนก็ได้ใช่ไหมนี่คือเราเปลี่ยนละวิธีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเองการปฏิบัติภาวนาของเราจึงไม่ไร้ผลเพราะเรามองเห็นต้นท่ามกลางและที่สุดสัมพันธ์กันพิสูจนได้นะ ทีนี้เราจะเอาไปใช้อย่างไรวิธีการเอาไปใช้อย่าลืมว่าการที่เราจะมานั่งทำเนี่ยมันเป็นบางครังบางคราวบางช่วงเท่านั้นนะแต่พอออกจากนี้ไปเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องอื่นละแต่เราสามารถจับสาระของความเปลี่ยนแปลงได้อยู่อย่างมั่นคงตรงนี้แหละมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเข้าไปเกี่ยวข้องกิจกรรมประจำวันด้วยความ เคยชินเคยชินด้วยอะไรเคยชินด้วยความโรคความโกรธความหลงความพอใจไม่พอใจล้วชินอยู่ยงนั้นนะแต่พอเราได้ฝึกฝนเรื่องนี้อย่างเข้าจิตเข้าใจชัดเจนแล้วเนี่ยพอเราออกจากที่นี่ไปสู่กิจกรรมต่างๆมันมีการเข้าไปสัมพันธ์สิ่งต่างๆด้วยท่าทีที่ใหม่เป็นท่าทีแห่งการรู้เนื้อรู้ตัวเป็นท่าทีแห่งการ สติไม่ใช่สัญญาละเป็นท่าทีของการถีละสัญญาไม่ใช่สัญญาธรรมดานะทีนี้เราจะประคองการรู้อย่างเนี้ยในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมันก็ต้องมีการซักซ้อมช่วงที่เราอยู่ที่เนี้ยถามว่าเรามีการกิจกรรมต่างต่างต่างมาจากชีวิตประจำวันไหมก็ไม่ได้ต่างใช่ไหมเรยังกินข้าวยังอาบน้ำํำยังแปลงฟัน ยังหลับยังนอนยังใส่ผ้าใส่เสื้อยังพูดยังคุยปกติไม่ได้ต่างแต่เรามีข้อแม้กติกาว่าในกิจกรรมในคอร์สเนี่ยเราจะใส่ตัวใส่ใจลงไปในกิจกรรมเล่านั้นให้มากที่สุดได้อย่างไรเราก็มาฝึกกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกติกาบางอย่างเช่นว่าเราไม่พูดไปคุยนอกเรื่องหรือดังเกินไป เราไม่ทำอะไรแบบเร่าร้อนรวดเร็วด้วยความเคยชินเหมือนเก่าเหมือนเดิมเราก็จะกินแบบรู้กาลเวลาไม่กินพร่ำเพื่อจะพูดให้รู้จาักกาลเทศะไม่พูดพร่าเพื่อจะหลับจะนอนจะตื่นก็ต้องมีเวลาที่ชัดเจนอย่างเนี้ยไอ้การระเบียบที่เราจัดตั้งไนี่มันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดต่อการใส่ใจลงไปในแอคชั่นต่างๆที่เรา เข้าไปเกี่ยวข้องนะมันก็เริ่มเริ่มความชินความเคยชินที่มันต่อเนื่องกันเป็นโซ่เนี่ยมันก็ถูกชอปถูกตัดเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นง่ายขึ้นนะหมายถึงว่าสังเกตไปทีละอย่างทีละกิจกรรมไม่จะทําอย่างเร็วเร็ ว, รวหลายๆอย่างอย่างที่เราอยู่ที่บ้านรับโทรศัพท์ด้วยคุยไปด้วยขับรถไปด้วยอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งมัน เป็นขาดเป็นการยากในการที่จะตั้งสติให้เป็นปัจจุบันในขณะเดียวกันในจิตแล้วหมุนติ้วเลยนะหมุนเพื่อที่จะรับรู้ต่อกิจกรรมเข้ามาหลายๆอย่างมันก็ใ ช, คชค้ความเร็วสูงเมื่อใช้ความความเร็วสูงมันก็ไม่ชัดนะเหมือนกับเรานั่งรถไฟรถยนต์เรามองสมัยเป็นเด็กนะเวลาเรานั่งรถไฟรถยนต์เราจะเห็นเราข้างนั้นหมุนไปหมดเห็นไหมหมุนหมุนเพราะว่า สติสัมปะยะในช่วงสมัยเป็นเด็กเนี่ยมันก็มันไม่มันไ ม, ม่คุ้นเห็นรถเห็นรอบตัวหมุนไปหมดนั่นหมายความความเร็วมันสูงซึ่งต่างกับเราค่อยเดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วจะเห็นทีละอย่างทละอย่างทีละอย่างเราตั้งใจดูก็ดูได้เพราะความเร็วมันมันไม่สูงเกินไปจิตของเราเนี่ยเราก็จึงมาขยายขยายอะไร ขยายความเร็วของจิตที่มันมีการเกิดดับในอัตราส่วนความถี่ที่สูงเป็นสูเปรียมฟรีเควนซี่นะเป็นความถี่ที่สูงมากไม่มีสามารถไม่มีอะไรไปสามารถจับความถีข่ของอะไรความถีข่ของการเกิดและดับเกิดดับเกิดดับกดับสูงมากนะทีนี้มันเป็นการเกิดดับของอารมณ์ตัวเกิดดับของอารมณ์ที่สูงสุด ถัดมาเป็นการเกิดดับของจิตก็ตามยากเราจะเริ่มตามการเกิดดับของเวทนาได้ทันหนักเบาเจ็บปวดแสบขันพอรู้อยู่ตามรู้ทันอยู่แล้วก็ย้ายเวทนาออกมาเป็นการเกิดดับของกายออกมาเป็นหยุดเป็นเคลื่อนอ่ะเป็นเหลวซ้ายแรงขวามาเกณฑ์พับตาอาปากหายใจขยับเราก็เห็นเห็นได้ชัด เพราะนั้นเราก็ขยายความถี่ที่มันสูงเนะ่ให้มันซิมบิฟายออกมาเหมือนเเฟืองนะเฟืองตัวในสุดมันจะหมุนติ้วเลยใช่ไหม <c oughs> ที่มันก็จับไม่ทันมันก็ขยายเห <c oughs> มือนกับไอ้เครื่องจากเครื่องยนต์ต่างๆบ้านเราเนา ะ, ะเราใช้ไดหลายตัวใช้มอเตอร์หลายตัวแต่ไอ้ตัวไดรหลักมันคือตัวเดียวเนะี <c oughs> ่ยเราก็ทดเฟืองไปเรื่อยๆเหมือนในโรงสีเนาะมีทดเฟืองใดไปในทัศน์ต่าง เฟืองตัวนี้ไปสีเฟืองตัวนี้ไปขัดเฟืองวนี้ไปกลองเฟืองนี้ไปอ ะ, อะไรต่างๆขายายออกไปหลายตัวในตัวการหมุนสิ่งที่นําเสนอนี้ตามทันนะเข้าใจไหมนะการหมุนตัวเฟืองที่เราไปเห็นที่เขาสูบน้ําสูบอะไรต่อเฟืองไปเรื่อยๆหลายๆตัวเช่นเดียวกันแต่ตัวในที่สุดมันก็ทําตามอัตราความเร็รรรเวสูง ตามนี่ของมันอะ 3, 000, 4, 000, ่ะสาม0ั0 0 0่หรือหมื่นลอบต่อวิแต่บอกข้างล่างนกนกนอนกมัคอช้าลงช้ากิก่งตัวใหญ่อะไรนี้ช้าลงในร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นตัวส่วนนอกสุดมันจะสามารถบังคับให้หยุดก็ได้ให้เดินช้าก็ได้ให้เดินเร็วก็ได้ให้ก้าวหน้าก็ได้ให้ถอยหลังก็ได้เนมันจะว่าอยู่ในภาวะที่เราควบคุมได้คอนโทรลได้จากข้างในสุด มันเป็นอนัตตาใช่ไหมพอเราสามารถควบคุมส่วนนอกได้มันก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาเพราะนั้นการผลของการเคลื่อนไหวของทุกส่วนที่เราควบคุม c o n t r o ได้มันก็เกิดมาจากการเกิดดับของจิตและอารมณ์ที่มันมีความเร็วสูงนั่นเองแต่เราไม่สามารถจะเห็นมันได้ดังนั้นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติเราต้องการเข้าไปเห็นการเกิดดับของจิต นะการเกิดดับของจิตตัวตัวไอเฟืองในสูตรน่ยมันหมุนติ้วตลอดเวลานะหมุนติ้วตลอดเวลาแล้วก็เราก็พยายามที่จะไปทำโดยนั้นให้มันหยุดอให้มันหยุดหมุนหยุดแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะตั้งหมุนมันหมุนไปนี้จะให้มันหมุนกลับนะจากสังสารวัตรให้หมุนกลับเป็นอะไร ที่พูดมันจะเป็นธรรมจกกักระปวัตธรรมจักรจักสังสารได้จักให้หมุนกลับเป็นธรรมจักรมันหมุนไปตามความเคยชินใช่ไหมแต่ให้หมุนกลับเป็นมีความรู้นรุตตัวเราต้องกลับไปหมุนตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ไปเห็นการเกิดดับชั้นในสุดเนี่ยการหมุนกลับของเรามันก็ยังไม่ทำได้ร0 0เปซมันไปตามกระแสบ้างหมุนพนกระแสบ้าง ไปตามกระแสบ้างหมุนทุนกระแสบ้างช่วงไหนสติเนี่ยเรงแรงเอาไปหมุนทวนกระแสได้เยอะเอาช่วงไหนสติเนี้ยอ่อนมันกลับไปตามกระแสอีกใช่ไหมอ่าบางครั้งเราอยู่ที่บ้านบางครั้งตั้งสติทําอะไรไ ด, ดีได้อารมณ์ดีเอาพอวันไหนที่อารมณ์อ่อนไม่ได้ปฏิบัติไปไงก็ไหลไปตามกระแสไหลไปตามความอยากเหมือนเดิมมันไม่สามารถจะทวนกระแสได้โดยสิ้นเชิงเพราะมันเป็นการควบคุมการหมุนตัวนอกสุด อ่าเราก็เริ่มปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปค่อยควบคุมเวทนาเป็นเวทนาทางกายเมื่อก่อนเรานั่งเงี้ยคอยสักสิบนาทีเราเริ่มควบคุมมันไม่ได้ละมันทํำท่าจะหนักไปเรื่อยๆทําท่าจะปวดไปเรื่อยๆใช่ไหมที่เราจะทำไงถึงจะควบคุมได้มีวิธีมหมเพราะมันจะไหลไปตามความเจ็บทุกเวทนาเรื่อยๆให้มันไหลกลับเป็นไม่เจ็บได้ไหม ทำไ ง, ย อ, ยงอยากไหมทําไงโอเคนั่นเองในคุยมันตอบได้ไวมากคุยยังมันไวกว่าเราอีากควยนะ น, น, นะนนมันก็อยากอะไรแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองมันก็กลับแล้วนะเพราะฉะนั้นในขณะเปลี่ยนมีสองอย่างหนึ่งเปลี่ยนด้วยตั้งใจสองเปลี่ยนด้วยไม่ตั้งใจสมมติปวดปั๊บก็พริกอ่าแค่นั้นพอพลิกอย่างนี้ มันเป็นไปเองโดยไม่ตั้งใจอันนี้ถือว่าทวนกระแสะมใช่ไ ม, ไม่ได้ทวนนะแต่การรู้สึกสบายมันเกิดขึ้นได้จริงอไงรู้สึกสบายทางกายเกิดขึ้นได้จริงนะแต่เราทําด้วยความไม่รู้ตัวก็ถือว่ายังเป็นไปตามกระแสของความไม่รู้อย<ม>ู่แต่ถ้าจะให้ตรงนี้แหละ ท, ที่ที่มันมันยากเพราะบางครั้งเราก็เปลี่ยนด้วยความรู้บางครั้งเราเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเป็นทวนกระแสได้ทั้งหมดไง เพราะการไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนตรงนี้ได้ให้มันเป็นให้รู้ตัวเพียงอย่างเดียวดังนั้นเราก็พยายามที่จะควบคุมการการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนให้มีความรู้ตัวให้มากที่สุดเพื่อให้มันมีการเพิ่มกระแสให้มีพลังยิ่งมีการเพิ่มกระแสได้มากการทนกระแสมันก็มีพลังมากขึ้นกระแสก็ทนกลับ ๆ, ๆพอกับตัวนอกเป็นพอกับเปลี่ยนตัวเฟืองตัวนอกสุดตัวที่หนึ่งได้ก็ ก็เข้าไปเปลี่ยนตัวที่สองตัวที่สาตัว4ี่ย้อนไปถึงตัวในสุดเ่ยตัวไหนก็ถูกกลับไปด้วยแต่เนื่องจากว่าแรงของความเคยชินนะ่มันยังมีกำนาจอยู่ไอ้ช่วงที่เรายังหมุนกลับปล่อยมือไม่ได้นะปล่อย ม, อมือมันกลับไปที่เดิมอีกเหมือนนึกออกไหมที่เริ่มหมุนกลับสายพานมันแข็งไงเนียพหลุดมือไว้ได้นะมัมือหมุนกลับอีกไอ้การที่เรายังประคับประคอง อย่างเนี้ยกำหนด ร, รู้รูปนามกำหนด ร, รูเราต้องประคับประคองก่อนในช่วงแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมันไม่ติดไปทางนี้มันยังไม่กลับเลยชิ้นเชิงเหมือนสมัยก่อนเวลาเราสตาร์ทรถไอสตา์เครื่องสูบน้ำหรือสตาร์ทเครื่องรถไถคูโบต้านะไอตอนมันเก่าๆหน่อยเป็นไงหรือกำลังไม่พอหมุนแล้วมันไม่ติดนะีหมุนแล้วหมุนอีกจนหมดกําลังมาที่ไม่ติด เรอาศัยคนที่หมุนแรงๆหมุนจนติดพอติดแล้วก็ไปได้ลนะอันนี้ก็เหมือนกันการหมุนตัวกําลังของความเคยชินเพื่อให้กลับไปความเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยต้องใช้กําลังต้องใช้แรงต้องใช้ความเพียรจะทําเล็กๆน้อยๆเล่นๆไม่ได้กําลังมันไม่พอที่จะติดได้เพราะฉะนั้นคนไอ ห, หมุนสตาร์ทรถนัรถสมัยเก่าใช่ไหมไอ ห, ห, หมุนข้างหน้าทันไหมคุณน่ทันไห ม, หมนหน เออมาก็ยังทันอยู่นะโอ้โหก็จะติดได้นเงือะไหลไขฟังเลยเหมือนกันเลยแต่สมัยนี้เป็นไง <c oughs> แค่กดแค่นั้นเองแค่บีบรูปคุณแจก็ติดแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันให้กดเพราะนั้นมันก็มีการพัฒนาในแง่ของนามธรรมเวลาเราปฏิบัติเราก็ศึกษาลงไปถ้าหากว่าเราสามารถกดติดหลายๆครั้งมันเริ่ม ได้กำลังโอ้โหสามารถเที่ยวนี้สามารถหมุนกลับได้ตั้งนานคือมันได้อารมณ์นั่งงานนะเป็นวันเลยบางทีกูมันจะคลายนะนั่นแสดงว่าหมุนกลับได้วันหนึ่งละต่อไปมันได้กำลังของสติได้มากกว่านั้นแสดงว่าหมุนกลับได้ยาวขึ้นยาวขึ้นในที่สุดมันกลับทั้งหมดเมื่อไหร่มันกลับได้ทั้งหมดนะเมื่อนั้นเขาบอกเห็นการเกิดดับโดยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงยานนี้เรียกว่าจุตูปปัตญานที่พระเจ้าเห็นการเกิดและการดับของโดยเอง อ่าเป็นยานที่สองใช่ไหมอันแรกที่มันหมุนไปตามท่านก็สงสัยเอ้ยมันหมุนไปทางนี้มันออกมาไปตามกระแสความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วทํายังไงจะกลับมันไม่ให้แก่ไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายบ้างท่านก็คิดหาวิธีนะคิดหาวิธีมันหมุนไปทางนี้เป็นสังสารและจักรตอนแรกท่านได้รู้อดีตของตัวเอลูวอะไรเกิดมานี่มันเกิดมาผ่านไม่รู้ตั้งหลายหมื่นหลายแสนชาติอะที่ท่านระลึกรู้ได้ใช่ไหม มันอะไรมันพาไปเกิดมากขนาดนั้นไม่ว่าจะเกิดบางพบบางชาติไปเกิดเป็นคนบางพบบางชาติไปเกิดเทวดาบางพบบางชาติไปเกิดเป็นพระพรหมบางพบบางชาติไปเกิดเป็นสรนนรกบางพบบางชาติไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายมันทําไมเกิดอะไรทําให้มันเกิดดีบ้างชั่วบ้างสุบ้างทุบบ้างอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดตรงนั้นท่านก็ดูดูไปดูมาก็ไปเห็นไอกระแสของความ เคยชินเรียกวความไม่รู้หรืออวิชานี่แหละไอ้ตัวนี้ต่างหากที่มันไปทําให้เราหมุนไปตามอันนั้นตราบใดที่เรายังหมุนไปตามความเคยชินและวิชานี่อยู่ไอ้เดี๋ยวหมุนไปดีหมุนไปชั่วหมุนไปถูกหมุนไปผิดหมุนไป น, นรกสวรรค์เวียนอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสังสารวัตรไม่มีที่สี้จุตอนใ น, นเมื่อพระ อ, องค์ได้พิจารณาใครควรดูไปดูไปดูไปว่า <c oughs> ทาบทเรียนนะนะทำบทเรียน จนกระทั่งได้เห็นโอ้ไอตัวนี้เองตัวที่มาขับเคลื่อนตัวจักรตัวล้อมันให้หมุนเนี่ยเห็นละคืออะไรพอเราเห็นตัวนี้พระอุทานเลยใช่ไหมท่าน ต, ตาจำได้ไหมอเนกชาติสังสารังคดีในคถานี้มแล้วสวดกันอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนิิสังขาหา ก, การังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณนะังเมื่อเราไม่ได้สติ จิตของเราในหมุนไปตามความเคยชินไปในอันันตราชาตินับชาติไม่ท้วนการที่จิตหมุนไปแต่ในทางฝ่ายความเคยชินฝ่ายไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาทุกข์ขาชาติปุณาผุนังทุกเรื่อยไปต่อมาท่านก็บอกว่าขหาการ ะ, ะที่โทษสีปุนาเคหังนาคาหาสัสินี่แน่ในช่างคือตัณหาคือความอยากเรารู้จักเจ้าแล้ว การที่จิตของเรามันหมุนไปตามความเคยชินนี่ยเพราะเจ้านี่เองคือความอยากดูก่อนความอยากคือตัณหาผู้สร้างเรื่องผู้สร้างพบการที่เจ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ตลอดภพตลอดชาติบัด น, นี้ฉันเห็นแกแล้วเพราะฉันได้สติแล้วฉันได้สติฉันได้พบสติฉันได้พบญาณแล้วแกจะมาสร้างเรื่องสร้างตัณหาความอยากให้เราไม่ได้อีกต่อไป สภาเตพาสุขาคขาคหูตังวิสังคตังคงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราก็ลื้อเสร็จแล้วคงเรือนของความอยากคืออะไรคงเรือนของมันคืออะไรที่ว่ามาเมื่อกี้ขันได้ขันห้าเนี่ยคงเรือนของมันคือขันห้า ย, ยอดเรือนเราก็ลื้อเสร็จแล้วขันห้าที่มันหมุนไปตามความอยากเพราะอะไรเป็นยอดของมันอวิชา คือความเคยชินความไม่รู้เป็นยอดของมันโค้งเลียนแล้วก็รื้อเสร็จแล้วยอดเลียนแล้วก็รือเสร็จแล้วเมื่ออวิชาถูกรือถูกตัดออกไปด้วยสติตัววิชาก่อให้เคิดสังขารสังขารก่อวิญญาณญาณเกิดนารูปนามรูปก่อให้เกิดาษตร์ศาเกิดไอ้เกิดเกิดยัตนะยัตนาเกิดเกิดภาษาภาษาเกิดเกิดเวทนาเวทนาเกิดเกิดตัณหาอ๋อสืบไปสืบมาตัวนี้เองตามตัวมันให้เจอ เจ้าตรวจตัณหาดูก่อนตัณหาผู้สร้างพบการเกิดของเจ้ า, าทําให้เราเป็นทุกข์หมุนไปตามอวิชชาเรื่อยไปวิสังขารคตังจิ ต, ตันตัณหาหนังขยามัจฉาขาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่สิ้นความอยากจะมาปรุงแต่งจิตของเราให้หมุนไปอีกไม่ได้ก็คือมันจะหมุนไปตามเดิมไม่ได้แล้วทีนี้พอรู้แล้วท่านก็หมุนกลับเลยทันมาสํารวมมหามระวังหามาควบคุมกายเวทนา รูปน้ำเนี่ยมาดูรูปดูน้ำให้ชัดให้ชัดขึ้นเรื่อยๆพอชัดขึ้นเรื่อยๆปั๊บมันก็หมุนกลับนะมุนกลับแล้วท่านก็เข้าใจแล้วก็นั่งทบทวนเรื่องนี้อยู่กี่วันหลังจากเข้าใจรายละเอียดตรงนี้ปั๊บท่านนั่งทบทวนอยู่49วันเจสัปดาห์ใช่เพราะนั้นออกมาเป็นปางต่างๆปางล เวัน7วัน7ปางใช่ไมเจ็ดเจ็เพราะฉะนั้นก็มีพระจิตปาง7ปางเกิดขึ้นปางถวายเนตรปางสมาธิปางห้ามญาติปงางจงกรมรัตนจงกลมเจดียรัชนะฆระเจดีทั้ง7ปงางก็มาเป็นพระประจำวันเรียบร้อยเลยนะเป็นที่เอาไปธรรมหายินเรียบร้อยเป็นพระประจาวันตักบาทไปโนนะ่นคนละเรื่องเลยคนละเวอร์ชั่นเลยนะ แต่ความจริงพระองค์ได้พิจารณาสิ่งที่ได้ได้เข้าใจเนี่ยอย่างละเอียดว่ามันเป็นเป็ น, ปนมาก็โดยการพิจารณา49วันเป็นที่มาของพระไตรปิฎกต่อมาไงต่อมาบัญหยัดเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเพียงเาอาความรูุกองค์ไปพิจารณาอยู่19วันแล้วประกอบคําสอนต่างๆอีก45ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนตีบทให้แตก จะถามว่าตัณหามันมีบทบาทสําคัญที่เราเรียนรู้ไปวันเมื่อวานว่าตัณหาคือความอยากเกิดจากอะไรผู้วานพูดไปคร่าวๆนะตัณหาเกิดจากความอก่อนที่จะเป็นความอยากเนี่ยตัณหาเกิดจากความรักความใคร่ความรักความใคร่เกิดจากความ เพลินใช่ไหมนันที่เกิดให้เกิดราคะไงความเพลินเกิดจากความยินดีพอใจโสมนัสเวทนามันมาจากความติดใจก่อนดิตัณหามาจากความติดใจก่อนติดใจเรียกว่าอภิชาอภิชาตรงนั้นเกิดมาจากนันทินันทิเกิดมาจากโสมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาเกิดมาจากสุขเวทนาสุขเวทนาเกิดมาจากอนิจจ์ไล่ขึ้นมาถึงต้นตอมเลยทีนี้ พะนั้นพอเรามารู้เรื่องอนิจจังปั๊บมันก็ไล่ไปหาอ๋อต้นตอตันหามอยู่ตรงนี้เองแทนที่เราจะไปควบคุมตันหามาควบคุมไหนง่ายกว่าควบคุมอนิจจังต้นตอมันเลยเพรควบคุมอนิจจังได้ตันหาทํางานไม่ได้แล้วถ้าควบคุมเฟืองตัวนี้ไม่ให้มันหมุนอ่ะเฟืองตัวในเป็นอย่างหมุนได้ไหมอ่าตีหลักปักไม่ให้หมุนเลยมันก็ถูกล็อกเฟืองตัวในสุดก็ถูกล็อกไปด้วยดีทีนี้จะทําให้มันหมุนกลับอ่ะ อ่าตัวนี้ถูกเปลี่ยนเฟืองใหม่ทั้งหมดเลยสังสารวัตรก็เปลี่ยนมาเป็นนิพานทันทีเลยนะจากที่มันหมุนไปทางต่ำก็เปลี่ยนมาเปทางสูงจากน้ำที่มันไหลลงต่ำพอเครื่องติดมันก็ดันน้าขึ้นไปไงขึ้นภูเขาได้เลยใช่ไหมเครื่องมันติดแล้วเนี่ยอ่าเพราะว่าถ้าโดยธรรมชาติมันไม่ต้องสูงใหยากเลยค่ยปล่อยลงบนเขาก็ลงลวโดยกระแสของไตรลัก แค่ปล่อยจัดข้างบนก็ไหลลงเลยตามความเคยชินเรื่องไหลลงต่ําจิตของเราที่เป็นปุ๋มตามใจรักก็จิตเป็นไหลลงต่ําใช่ไหมเราก็มาเรียกว่าจิตมันไหลลงต่ําไฟต่ำคิดต่ําก็ว่ากันไปนั่นคือการไหลลงเรื่องอำนาจของใจรักณแต่ถ้าจะทําเป็นใจสิขาหมายถึงว่าน้ำเนี่ยมันตกถึงห้วยถึงร่องถึงใต้ดินไปนแล้วนะเราทําไงก็ต้องสูบขึ้นมาขึ้นไปลับไปที่เดิมได้ แต่ว่าโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่ทำไงมันยากในการสูบท่านก็เลยสร้างเขื่อนเสียเลยใช่ไหมเพราะมันไหลยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องสูบกลับก็สร้างเขื่อนขึ้มกันไม่ต้องเสียเวลาสูบก็สร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพราะนั้นพุทธภาษิตบทหนึ่งใช่ว่าสติเตสังนิวรนังสติเป็นเขื่อนกัน้นอกุศลธรรมทั้งหลาย สร้างเขื่นขึ้นมาอะคูสุลทำอะไรทำทั้งหลายถูกกั้นเอาไว้ไม่ให้ไหลต่ออกุศลเมื่อถูกกั้นเอาไว้มันก็เปลี่ยนเป็นสามารถเปลี่ยนเป็นกุศลได้น้ําที่ถูกกั้นไว้เปลี่ยนเป็นกระแสไฟได้มั้ยได้เปลี่ยนเป็นชุมประทานได้มั้ยได้เปลี่ยนไปทําประโยชน์ด้านอื่นใดทางด้านโรงงานต่างๆได้มั้ยถ้าเปลี่ยนเป็นกระแสไฟแล้วเปลี่ยนกระแสไฟนี้เป็น เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายทํางานทั้งหลายได้ไหมได้เปลี่ยนเป็นโอโหประโยชน์มหาศาลเลยทีนี้จากการที่เปลี่ยนแกะแสะน้ําที่มันไหลลงให้ไหลขึ้นด้วยการสร้างเขื่อนเพมัะนั้นการสร้างเขื่อนของสถิติที่เรามานั่งสร้างสร้างอะไรกำลังสร้างเลยสร้างเขื่อนคนไหนสร้างได้มากกว่าคนนั้นก็เขื่อนใหญ่กว่าสูงกว่าน้ําก็ได้เยอะกว่าพลังสูงกว่าคนไหนสร้างเยอะๆใหญ ๆ, ๆก็ได้แต่คันนาได้แต่ฝายได้ฝายทำร้น มันจะมีพอทำอะไรใช่ไหมเราต้องการสร้างเขื่อนใหญ่ที่จุน้ําได้หลายหมืน่นหลายแสนในล้านลูกบาทเมตร อ, ะอ่ะอ่าก็คือเป็นกระแสะไฟขายเฉยเลยใช่ไหมพอเราสร้างเขื่อนขึ้น ค, ความรู้สึกตัวได้สูงขึ้นสูงขึ้นสึงไอ้กระแสะของใจรักที่มันตกลงมาก็เหมือนคือหาฝนอะ่ะหาฝนคืออะไรหาฝนคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตกลงมากระทบอะไร ห้วยเล็กล่องน้อยแม่น้ำใหญ่แม่น้ำร้อยกี่สายหกสายสายตาเออ <S <S เขาเรียกว่าสายใช่ไหมแต่ไม่แยกะขเรียกว่าสายหูนะ <S <S 1> <S 1> เรียกว่าสายตาสายใหญ่เลยียกว่าสายแรกสายเจ้าพยาเลยนะสายต า, ายตาแม่น้ำหนึ่งหูแม่น้ำหนึ่ ง, งปิ่งวังยมหน้านะ่ะครบไหมล่ะสีตาหูจมูกลิ้นกายมาไหลรวมที่ไหนไหลรวมที่ใจ ใจเป็นแม่น้ําใหญ่เลยเป็นแม่น้ำเมยเลยทีนี้พอมันเป็นแม่น้ําใหญ่แล้วก็กั้นที่ไหนอ่ะกั้นที่อุตรดิตบ้างกั้นที่จังหวัดตากบ้างใช่ไหม <c oughs> แต่พอจะไปกั้นน้ำหยมเนื่อไม่ยอมให้กั้นเลยทีนี้กระแสไฟเราไม่พอใช้ <c oughs> กลับไปซื้อกระแสไฟที่หัวว่านที่ลาวบ้างมาใช่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันกันก้นกระแสเมื่อตาเห็นไม่ให้มันไหลไปทางยินดีและยินร้าย แต่ให้มันไหลไปไงไหลกลับอ่ามันไหลขึ้นไหลขึ้นไปถ้ามันไหลลงคือไหลไปทางยินดีและ ย, ยินไลใช่ไหมเราก็เอาสติมากัน้นเพื่อให้มันไหลเวลากระทบปับ๊บแทนนี่เราจะปล่อยใจกระทบพับทอนที่เมื่อกกวันนี้ยายคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังเนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยมันมีเกตเข้าออกใช่ไหมนะต้องมีคนเปิดปิดเวลา เขานัดกันว่าหมู่บ้านทั้งหมู่เนี่ยให้เปิดปิดเวลาหหรือหกหกโมงเช้านี่แกตื่นมาจะมาออกไปดูไปออกกระเปิดประตูไปออกก็ออกไม่ได้วันหนึ่งออกไม่ได้เพราะคนงานมันตื่นสายไอ้คนยามมันตื่นสายไม่เปิดประตูให้แกบอกว่าแกกระปดแตกเลยเว้ยกระปีแตกก็เลยมาเจริญสติพอเจริญสติวันหนึ่งพอมาเจอไอ้มันประตูมันปิดออกไม่ได้เออฉันรู้สึกดัวนนะเออซื่อเฉยเฉยก็ไม่เป็นไร ตั้งแต่นั้นมาไม่ปิติไม่แตกเพราะไอ้คนยามเปิดประตูไม่ตรงเวลาเสี้ยนเลยน ะ, ะฉันบอกวฉันชนะเรื่องนี้ได้ปีแตกไปถึงอะไรไม่ถึงเขื่อนแตกไหลไปตามกระแสใช่ไหมไหลไปตากระแสไปไกลเลยทีนี้นี่เราจะเห็นว่ามันมีคุณมหาศาลเลยนะถึงจะชนะไปทีละกระแสทีละเรื่องละเรื่องแล้วเม็ดฝนคืออะไรเมร็ดฝนคือการที่รูปเสียงกลิ่นรสทุกครั้งที่มันตกมากระทบตาหูจหมูกลิ้นกายใจมันกลายเป็น มเมล็ดเห็นความรู้สึกเมเล็ดเล็กเมล็ดน้อยนะกะทบทั่วตัวเลยนะกระทบแล้วก็มันก็สติเป็นไงกั้นเอาไว้ไม่ให้มันไหลไปความรู้สึกพอใจไม่พอใจถ้าไหลไปความรู้สึกพอใจมันก็เป็นกระแสของไตรรักพอสร้างเขื่อนของขึ้นเป็นไตรสิขาสร้างเขื่อนสร้างสติขึ้นนะ่ยพอสร้างสติขึ้นแล้วก็จ่ายน้ํา การที่สร้างสติขึ้นนั้นถ้าหากว่าสร้างเขื่อนเนี่ยถ้าสร้างไม่ดีเขื่อนก็พังอันตรายมากต้องสร้างให้ดีสร้างด้วยสติด้วยสมาธิคือสร้างให้แข็งแรงแล้วก็มีไส้มีเหล็กมีอะไรต่างด้วยเทคนิควิทยาการต่างๆอพอมันได้น้ำเหนือเขื่อนน้ำที่เหนือเขื่อนเป็นพลังของสมาธิสติเป็นเขื่อนกั้น แล้วก็มาละบายไปใช้เป็นพลังของปัญญาเนี่ยเปลี่ยนแกแสน้ําให้เป็นตะลักคือเปลี่ยนเป็นน้ําที่เป็นแม่น้ํำกลายเป็นเขื่อนเขื่อนก็คือพลังของปัญญาก็เกิดไฟที่สว่างมาอย่างไรใช่ไหมก็มาจากพลังน้ํำในเขื่อนแต่เดี๋ยวนี้พลังมันก็มาหลายทางแล้วเนาะไม่ใช่มาจากน้ําอย่างเดียวมาจากสุรเิลยวก็ได้มาจากพลังทานหินก็ได้ แต่ทางยุโรปอเมริกาก็มาจากพลังลมก็ได้นะนั่นเราจะเห็นว่าในคอนเซปต์เดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนลมมันพัดไปพัดมาพัดที่งทิ้งก็ว่างจำปูดของไตรลักษ์เนี่ยเอตั้งพัดลมพัดลมไปตั้งก็เปลี่ยนลมนั่นนะมาเป็นผ่านมออแบตเตอรี่ก็เป็นไตรซีขาเอามาเป็นพลังงานเหมือนกันหรือแม้แสงสว่างของพระที่มันใช้อยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเพอเอาแผ่นโซลาเซลล์ไปตั้งแผ่นโซลาเซลล์ก็เป็นแผงของไตร สิขาแปลงสภาพจากแสงแดดให้เป็นตัวไฟจากเออาก DC ก็กลายเป็นไฟ AC อย่างนี้ไปต้นนะฮะั่นเราจะเห็นว่ากฎอันเดียวกันธรรมชาติภายนอกอย่างไรธรรมชาติภายในอย่างนั้นแต่เนื่องจากธรรมชาติภายในเนี่ยมันเป็นนามธรรมาอ่าเป็นนามธรรมาเราก็เลยไม่สามารถจัดการอย่างที่เราเป็นลูกปธรรมได้แต่เราจะเข้าใจนามธรรมาโดยนั้นชัดเจนเราก็อาศัยการ ประกอบขึ้นของรูปธรรมที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้จำลองมาเราก็มาประยุกใช้นะอันนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีดังนั้นเราจะสร้างสติอย่างไรแข็งแรงนะดยใช้หลัก4หลักนะหลักใหญ่หลักแรกคือหลักของกายดูร่างกายของเราไปไงบ้างเข้มแข็งไหมนะ คำว่าเข้มแข็งนี่ทําได้ต่อเนื่องนะหมายคือทาแล้วมันไม่ปวดเกินไปไม่เมื่อยเกินไปไม่ง่วงง่ายเกินไปไม่เหงาง่ายเกินไปมีความเข้มแข็งอ่ะเราก็จึงมีการสร้างออกกําลังกายทุกเช้าเพื่อสร้างเขื่อนของตัวนี้ให้เข้มแข็งขึ้นไม่ให้ร่างกายอ่อนแอร่างกายเข้มแข็งไว้นั่งทําทั้งวันไม่เบื่อไม่หิวไม่เหนื่อยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นลมเป็นแรงนะก็ทําได้นี่นะ ในการสร้างเขื่อนอนะที่นึ่คือสร้างกายานุปัสนาโดยการพิจารณาในสิ่งที่มีในกายเนี่ยให้ละเอียดนะเวลาสร้างเขื่อนต้องพยายามอัดพยายามเทให้มันหนานแน่นมากแล้วก็ดูภายในของเราเนี่ยให้ละเอียดมีอะไรบ้างแต่แต่หัวจุดเท้าเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าให้ดูให้ให้มองให้พิจารณาอยู่หเรื่องใช่หมหนึ่งหายใจเข้าออกเป็นไงชัดไหมอพอชัดเราก็เสริมเขื่อนได้ละสอง ขณะ น, นี้เราอยู่ในอีโบนไหนนั่งนั่งเป็นง ไ, ปไงชัดไหมว่าเรารู้สึกไงบ้างเวลานั่งในระบบ ท, ที่สองคือยืนเดินนั่งนอนใช่ไหนอยู่ในอีโบนนก็ตามให้ชัดในบทนั้นว่าขณะ น, นี้เราสุขรืเราทุกข์เราหนักหรือเราเบาเราเบาื่อเราเซ็งเราง่วงเรา เ, าเราเหงาดูให้ชัดถ้าอันไหนมันเป็นไปนทางที่จะเป็นไปไตรักก็อสตีไปแก้ถ้เปไ็นใจสิขาใช่ไหมหมายความันจะทำกายเนี่ยเป็นไปไตรักอยู่แล้วล่ะ แต่อย่าให้ใจรักตัวนี้ถ้ารู้เข้าไปถึงไหนเข้าไปรู้ไปถึงใจถ้าเมื่อไรใจรักตัวนี้ถ้ารู้เข้าไปถึงใจเมือเ่อเขื่อนแตกแต่ถ้าใจรักตัวนี้มันอยู่แค่กายมันก็สามารถที่จะกันกระแสะได้ไว้ที่กายให้รู้สึกตัวเฉยๆความรู้สึกตัวเฉยๆอย่างต่อเนื่องนี่เองมันก็สามารถที่จะสกัดไม่ให้กฎของใจรักไปทําร้ายจิตใจ ให้คิดให้เพลินได้แต่ถ้าสมมติว่าตัวสติสัมปชัญญะที่เป็นสันเขื่อนไม่เข้มแข็งมันก่อให้เกิดการแตกหรือปรีซึมน้ําก็จะไหลออกมาเลยนั่นลักษณะความเพลินน้ําเขื่อนมันไหลออกลิ่นๆๆี่นี่นี่มันเพลินแล้วพอเริ่มไหลนิดๆไม่รีบปิดรีบกั้นไปไงน้ําก็แทงโตใหญ่ขึ้นในที่สุดมันพังทั้งเขื่อนก็ได้นะ แต่นั้นไอตัวน้ำไหลน้ำซึมเล็กๆน้อยๆจะประมาาไม่ได้นะความรู้สึกตัวที่มันเพลินเล็กๆน้อยๆนี่จะไปประมาไม่ได้ต้องพยายามตัดใหญ่ตลาดใจ ม, มันสลัดทิ้งทันทีอุดอุดได้ก็อุดทันทีอย่าให้มันซึมนะทีนี้เมื่อทางกายให้เสริมความเข้มแข็งทั้งหระบบ1ระบบลมหายใจสองระบบ อีโบดสในระบบอีโบดย่ยเวลานั่งมีอีโบดย่อยเยอะแยะเลยใช่ไหมมีภาพตาอ้าปากหายใจยกมืออ่าเหลียวซ้ายไหลขวานั้นในการเคลื่อนไหวที่เราเสริมขึ้นมานี้เรียกว่าเป็นสัมปัญญะเป็นเรื่องที่สของกายเราเอาสัมปชัญญะกับอีบทสมาบวกกันในะอีบดสียู่เดินนั่งนอนสัมปัญญาอีบทย่อยเพราะนั้นในตัวอีบทส ยืนเดินนั่งนอนแต่ไปแยกเป็นอิบทตรย่อยอีกเจอันที่หนึ่งก็คือเดินจงกลมกลับไปกลับมาอันที่สองเหลือซ้ายแปขวากลม่มเงยอันที่สยกมือสร้างจังหวะใช้าคาสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมบาชาณกาลีโหติมีความรู้สึกตัวช่วพร้อมในขณะยกมือขึ้นเอามือลงเอายกมือเข้าเอามือออก อยู่ในหมวดที่3นะถ้าใครมาโจทย์ว่าการยุ่มือสร้างจังหวัดนี่ไม่มีได้ไปดูดไปบอกได้เลยเอาก็ข้อที่3ของสัมปชัญญปะปะภะไงสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปชาญญกาลีโหติมีความรู้สึกตัวพร้อมในการคู่เหยียดเคลื่อนไหวอ่าอันที่4ขณะที่เราอาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมอาบน้าแต่งตัวจัดเสือ้อจัดผ้าอ่าให้มันรัดให้มันหลวมอย่างรให้มันพอดี รู้สึกตัว อ, อันที่5เวลาเราเข้าห้องน้ำห้องท่าถ่ายหนักถ่ายเบารู้สึกตัวชัดไหม อ, อันที่6เวลาเราดื่มเรากินเราลิ้มเราชิมเราเคี้ยวรู้สึกตัวไหมขนาดเคี้ยวขนาดเก น, น, นอันที่7ไปมานั่งหลับตื่นพูดนิ่ง รู้สึกตัวไหมขณะนิ่งก็ต้องให้รู้สึกตัวด้วยนะไม่ใช่นิ่งแบบซึบบื้อนะหลับรู้สึกตัวไหมว่าขณะหลับหายใจเข้าหรือหายใจออกขณะที่มันหลับไปเนี่ยหายใจเข้าปุ๊บหลับเลยหรือหายใจออกเราหลับเคยดูไหมมันแสดงว่ายังไม่รู้สึกตัวขณะตื่นกายกับใจอันไหนตื่นก่อนอมัวแล้วเนี่ยมั่วขณะหลับกายกับใจไหนหลับก่อนไปดูไปฝึกดูให้ดีอันนี้ยากมากเลยนะบทนี้นะ เอามาฝึกดูหลายครั้งคือเจอครั้งหนึ่งอ๋อวันหนึ่งมันเจอด้วยบังเอิญ <ไล S 1> ตื่นฮะใจกับกายไหนหลับก่อนกายกายมันหลับก่อนแต่เวลาตื่นในใจตื่นก่อนเว <c oughs> ลาหลับในกายหลับก่อนเพราะกายมันเป็นอะไรเป็นไตร ล, ลักษณ์มันเป็นไปนตามกฎของ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกนะ เราไม่รู้หรอกกายกายกับใจไหนตื่นก่อนถ้าเราได้ฝึกมากๆแล้วใจมันจะตื่นก่อนกายแต่เวลาหลั บ, ลบกายหลับก่อนก่อนใจ <c oughs> <c oughs> นะไปดูให้ดีก็แล้วกันนะว่าคนไหนเห็นก็หมายความว่าเออการฝึกเข้าที่แล้วังนั้นเองการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการไปการมาการนั่งการนอนอะไรยให้รู้ให้ชัดนะอันนี้เรียกว่าระบบย่อยมีถึงเจ็ดระบบและในเจ็ดระบบนี่ก็ย่อยลงไปอีก อ่าอันนี้เรื่องของกายว่าดูลมหายใจดูลีบทีสี่ดูลีบทย่อยอันที่สามก็ดูธาตุสี่อ่า ด, ดูธาตุสี่ดูอย่างไรเช่นแล้วนั่งเนี่ยเรานั่งตรงได้เพราะธาตุอะไรธาตุดินแล้วเคลื่อนไหวได้เพราะธาตุอะไรธาตุลมเรานั่งแล้วมันหนักมันเจ็บมันคันเนีเพราะธาตุอะไรมันแสบมันคันมันหนักมันหน่วงธาตุอะไรธาตุไฟ มันปวดมันเมื่อยธาตุไฟเผาอยู่แต่ที่เราตั้งตรงนิ่งได้ไม่ล้มไม่เป็นธาตุดินนะแล้วก็ไม่มีการ อ, อาการเย็นเวลาเปลี่ยนไปอาการเบาสบายเย็นเป็นอาการของธาตุน้ำเป็นอาการนะแล้วก็ต่อมาระบบที่1ลม2องบทใหญ่3ามบย่อย4ธาตุ 4, 5, อาการสามสิสอง คุเรามันมีสาสองอาการรวมกันใช่ไหมสามสิบสองอวัยวะรวมกันเป็นตัวเราเหมือนกับรถหนึ่งคันเรียกว่ารถเพราะว่ามีอะไร32ชิ้นมาประกอบกันเข้าเรียกว่ารถพอแยกออกจากกันคําว่ารถมีไหมไม่นัไม่มีเขาเรียกว่าอันนี้เหล็กอันนี้โครงมาลายอันนี้ชิ้นส่วนนั้นนี่ไป32ชิ้นเราก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูก ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าดินน้ำเส็ลน้ําหนองน้ําเลือดน้ำมุกอะไรต่างสามสบสองอย่างมาผสมรวมกันเขาเรียกว่าคนอ่าเรียกว่ามนุษย์ว่าได้ว่าหนึ่งถ้าทั้งสามสองมันแยกกันไปเขาเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าศกโอ้ตรงดีนะเรียกว่าศกอ่าก็เรียกว่าธนะาตุกลับไปสู่ธาตุสี่ 4, มื่อเดิมใช่ไหม ถ้าสีอาการที่สกับอุจาตุสีเหมือนเดิมแล้วก็ทั้งสาที่สองอย่างไปดูทีละอย่างเขาเรียกเป็นสมถะแต่ถ้าดูเพียงอาการมันมีแค่สองอย่างหรือสามอย่างคืออาการสบายและไม่สบายแล้วก็เป็นกลางสามที่สองอย่างสรุปแล้วมีสามอาการใช่ไหมาการสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางขณะ น, นี้แล้วนั่งเนี่ยบางคนก็สบาย บางคนก็ไม่สบายบางคนก็หนักมากบางคนก็เบามากบางคนก็สุขมากบางคนก็ทุกมากบางคนก็เป็นกลางเนี่ยก็จะมีทุกคนมีอยู่3อาการแค่นี้แต่ว่ารวมกันทั้งหมดสรุปออกมาจาก32ชิ้นนั่นเองก็มี3อาการนี้เรียกว่าดูอาการ3 2มอันสุดท้ายระบบที่6กก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันแก่ลงตลอดเวลาหรือมันเติบโตตลอดเวลา แก่ลงตลอดเวลาสัญลักษณ์ของความแก่ลงมีอะไรเป็นเครื่องบอกอความเจ็บความปวดความเมื่อยอันนั้นแมแก่เป็นของงามหรือไม่งามไม่งามนะเรียกว่าปฏิกูลนไงอันที่หมันปฏิกูลมันย่ออยู่ข้างในเวลาอยู่บนจานเรียกว่าอาหารเวลาอยู่ในถั่วส้มเรียกว่าอะไรอาจม เรียกว่าอาจมแต่อยู่ในจานเรี้ยอาหารเงี้ยมันก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนระบบด้วยกฎของอะไรกฎของไตรลักษณ์อ่าทีนี้มนุษย์ก็ไม่ยอมเปลี่ยนอาจมมาเป็นอะไรอาจารย์คือเอามาเป็นอาจารย์พิจารณาให้มันเป็นอาจารย์สอนเราว่ามันเป็นอรูปะเป็นปฏิกุลเป็นอะไรต่างเราก็จะได้พอได้พิจารณาเอาซากศพมาเป็นอาจารย์ไงเขาเรียกอาจารย์ใหญ่ใช่ไหม เวลาไปเผาศพไปผูเผาศพอาจารย์ใหญ่ได้แก่ใคร mm hmm. ได้แก่คนที่ตายไปแล้วมันเป็นไอจุมแล้วเนี่ยก็มาเป็นอาจารย์เราก็ท่านก็ให้พิจารณาร่างกายนี้เป็นอาจารย์ว่ามันสอนเราอะไรบ้างนะสอนกรรมฐานเราสอนเราไม่ให้ยึดมัน่นถือมันร่างกายนี้มันแตกมันดับแต่ทําไมเราก็ยังไปรักไปชอบไปหึงไปหวงก็เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนไอจุมเป็นอาจารย์ แล้วเป็นอาจมเป็นอะไรเป็นอาจิน <c oughs> เป็นอาจินไตไม่แน่ว่าเป็นอะไรน ะ, ะเป็นอาจินไตอันนั้นเองเราจะเห็นว่ามันเป็ระบบของมันนะแต่เรานึกไม่ถึงไงเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งไม่ได้มาพูดคุยกันนะแต่คนก็ทําไปตามเรื่องดังนั้นให้พิจารณาร่างกายอยู่อย่างนี้เป็นประจํานั้นเรียกว่าเราได้สร้างกําลังของฝันเฟื่องเพื่อที่จะ เปลี่ยนถ้าไม่มีรายละเอียดเหล่านี้พิจารณาจิตของเราก็จะดูล่างกายนี้แบบเป็นของเราอะรูว่าเป็นเราแต่พอมาพิจารณาบ่อยๆไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยมันมีแต่ธาตุมีลขันแยกแยกแยกแยกแยกแยกระโดดไปไอความสำคัญมั่หมายของเราอยลงน้อยลงเมื่อก่อนใครมาด่ามาว่ามาบ่นด้วยก็รู้สึกงุหงิดโมโหแต่พอหลังจากอบรมปฏิบัติไปแล้วใครมาด่ามาว่ามาบ่นรู้สึก ถึงและอาชจรรย์นะฮถึงอาชจรรย์ตัวเองว่ามันทนได้ยังไงเฉยเมื่อก่อนกูไม่ไดน้นักูสวนทันทีเลยนะแต่เดี๋ยวนี้กูเฉยแล้นะไม่สวนละนะมันก็เปลี่ยนละนี่เขาหมุนกลับใช่ไหมหมุนกลับเมื่อก่อนมันหมุนไหลไปนั่นแนะหละไหลไปกับความพอใจไม่พอใจเพระนั้นเองเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะเข้าใจไม่ใช่เรื่องยากที่จแต่ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการจะรู้เพราะอะไร ทั้งที่มันเรื่องจริงนะแะเรื่องที่มันจะทําให้เราไปสู่ความสุขสบายความหมดทุกข์อ่ะแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเพราะอะไรไม่ใช่พูดไปวันก่อนแล้วพูดไปมเมื่อวานนี้แล้วเพราะขาดอะไรสองประการอย่าลืมหลักการเพราะขาดสิ่งสองสิ่งหนึ่งเราไม่ได้พบเพื่อนมาบอกเรา เพื่อนที่ ด, ดีเอาเรื่องนี้มาบอกเรายังไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้เราเจอแล้วถึงได้มาวันนี้นะอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งนะสองเรามีปัญญาพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เพื่อนบอกอ่าสองเรื่องแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเพื่อนบอกแล้วบอกเราไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจจะพนันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แต่เรามีปัญญาพอที่จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรฉันจะมาพิสูจน์อ่าตรงนี้เขาโยนีิสุมานสิกา หต้องเจอเพื่อนหรือ ว, ว่าปรตโขโคสะสองเรามีความเข้าใจในสิ่งที่บอกมีโยนิสมูมนมีปัญญาเพราะมีเหตุสองอย่างนี้เราจึงได้เข้ามาศึกษานะพมา่าศาสตรนั้นเพื่อนที่ไม่มาเพราะเขาขาดสองอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเขาก็เจอครูบาอาจารย์เยอะแยะ แ, แต่เขาไม่มีอะไรไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์นําเสนอแต่บางทีมีปัญญาที่เข้าใจได้แต่ขาด ศรัทธาความเชื่อถือแล้วผมฟังมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยเสร็จทุกไลนเนี่ยก็ <c oughs> ดูถูกฆ่ะต่อไปอีกนะอันนี้เขาเรียกไม่มีศรัทธาแทนที่จะเกิดปัญญาเออใช่เรื่องที่ท่านพูดนะจริงนะนะแล้วก็ลืมพิสูจน์ไปเรื่อยๆลักษณะนี้ก็จะถ้าคนไหนคิดอย่างนี้ได้เขาเรียกเป็นคนมีบุญวาสนาแต่คนฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกก็ไม่เกิดปัญญาไม่เคยศรัทธาเขาเรียกคนมีปัญญาแต่ไม่มีบุญ ก็ไม่สำเร็จประโยชน์นะเพราะพวกเราทั้งหลายมีทั้งปัญญามีทั้งบุญมันก็ได้สําเร็จประโยชน์เรื่องนี้ถ้ามันเป็นไปได้ไงคือแม้คนปกติธรรมามันั่งยกมือไม่ได้อะไรยกได้ทั้งวันอะ่ะเออถ้าคนไม่มีปัญญาไม่มีสทิาย่างยิ่งมัจะทําได้ไหมไม่ได้นะเดินไปเดินมาไม่ได้อะไรเลยแต่เดินได้ทั้งวันอะ่ะเป็นเรื่องอชชัศจรรย์ไหม รูออ้จั ก, จกอชฌา์ตัวเองบ้างก็แล้วกันชมตัวเองหน่อยก็แล้วกันเอ๊ะเมื่อก่อนกูนไม่เดินขนาดนี้เลยเนะี่ยวันนี้ทําไมกูเดินได้ขนาดนี้แล้วเจ็ดวันอะมันกี่ชั่วโมงวันทั้งสิบสองชั่วโมงใช่ไมสิบสองเจ็ดปดเท่าไรวันวันเนี่ยที่เดินมาเจนะ็ดวันเนี่ยทั้งร้อยกว่าชั่วโมงเราก็รู้สึกอืเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยเราไม่รู้อะไรเลยมันก็เป็นบาตรฐานให้เกิดบุญบารมีเกิดกุศลอมากกว่านี้ถ้าเราไปเจอ ต่อไปอีกครั้งหนึ่งเราเอาจจะเข้าใจอะไรลึกกว่านี้เรอยๆกว่านี้เราได้ปฏิบัติอีกสักครั้งหนึ่งมันอาจจะแจ่มกว่านี้ใสกว่านี้เนี่ยเราก็เกิดกำลังใจขึ้นเรื่อยๆบุญกุศลก็ค่อยลองรับเป็นฐานขึ้นไปนะเพราะนั้นเรื่องนี้จึงไม่อยากจะให้มองข้ามหลายคนปัจจุบันเนี่ยมาเห็นแเราน่าเสียดายเขามีการศึกษามีปัญญาดีแต่เขาขาดศรัทธาทำไมที่จะเกิดดลมาตรานเขาเกิดศรัทธาเรื่องนี้ นะแต่ปัจจุบันมันเป็นสิ้นยุคสัทธาแล้วมันเป็นยุคปัญญาคนต้องการเหตุผลนะแต่ในพุทธศาสนาเราอยู่นอกเห็นเหนือผลอะบางทีเหตุผลทําให้คนแปลงพุทธศาสนาเป็นเรื่องอื่นนะเป็นเรื่องของตําราไปแต่พุทธศาสนาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีอยู่ที่สัมผัสได้เป็นเรื่องของการใช้ใจไม่ใช่ใช้สมองอย่างเดียว แต่คนทุกวันพยายามที่จะใช้สมองแต่ไม่มีใจไม่มีอารมณ์ที่จะรู้สึกกับสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองว่าขณะนี้เรารู้สึกอย่างไรณนะปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเป็นเนื้อเป็นตัวณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ความรู้สึกก็ธรรมดาไม่มีอะไรมันไม่ใช่ธรรมดาคุณไปซื้อหุ่นยนต์ตัวราคา10บล้านบาทมันจะรู้สึกอย่างเราได้ไหมไม่ได้จะว่าธรรมดาได้ไงใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้เขาสร้างหุ่ยนยนต์อันหนึ่งที่สามารถตอบสนองได้ถูกบ้างผิดบ้างก็ราคาทั้ง หลายร้อยล้านแล้วเว้แต่เรามันสามารถตอบสนองได้ยิ้มได้พูดได้หัวเราได้ค่ามาหาศาลของหุ่นยนต์ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้สิ่งที่มีค่าที่สุดให้มันเสื่อมไปให้มันแก่ไปให้มันตายไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนไอ้ความที่มันสมมันยากเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะทดแทนมันได้คนจะได้อะไรที่สูงสุดไหม เพราะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านถึงตั้งคุยฉันถามเอาหนักๆว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมควรจะถามตัวเองทุกวันเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรถ้าถูกถามตรงๆนี้เราจะตอบไหมเกิดมาทําไมเป็นคําถามที่ใหญ่เนาะตอบยากนะสมมุติว่าคุณชนะตอบคุณจะน้อยจะตอบไหมเกิดมาทําไมสมมุติสมมุติทำหน้าที่ <laughs> ทำหน้าที่ หน้าที่ของใครเรามีหลายหน้าที่อย่าเดียวเนี้ยหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของสามีหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเราเองคือหน้าฮั่นบอกว่าเกิดมาทํำไมเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์คนจะได้นี่ทําต่อท่านเฉลยมานะสองเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์คนจะได้สองเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าตอบสองข้อนี้ได้การเกิดเป็นมนุษย์ก็คุ้มก่อนที่จะตายไปทำที่สุดแห่งทุกให้เกิดก่อนก่อนที่จะตายไปเนี่ยต้องให้ได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์คนจะได้อะไรคือสิ่งมนุษย์คนจะได้อะไรคือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์คนจะได้คืออะไรข้อนี้ถามคุณสิธิพรเลย สิ่งสูงสุดที่มนุษย์คนจะได้มันคืออะไรหมดเส้นดูดชีวิตทุกข์อ่ะอนิพานอ่ามาผลนิพานเอานิพานไปเลย <laughs> สิ่งสูงสุดที่มันคือนิพานคือดับคือเย็นไม่ต้องไปอยู่ร้อนนอนทุกข์อีกนะอ่าอยู่ชุ่มกินเย็นนั่นแหละและื่นิพานถ้าอยู่ร้อนนอนทุกข์มันก็จะเป็นสังสารวัตที่เราที่แล้ว ม, มันอยู่ร้อนนอนทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมแล้วนั้นเอง เราก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ถ้าไม่ได้เกิดมาสิ่งนี้ท่านบอกโอ้โหเสดายชาติจังกเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนไม่ได้สิ่งสูงสุดเกิดเป็นมนุษย์ทั้งคนไม่ถึงที่สุดทุกแล้วคุณจะต้องเวียนว่าย <ใช S 1> ตายเกิดไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนชาติอ่ะเกิดไปให้เขาฆ่าเขาแกงเกิดไปให้ฆ่าค่มคืนเก็บไปให้เขาทรมานรับใช้ตลอดแล้วเดวไปรู้ว่าเราชาติไหนได้เกิดเปไน็นอะไรมันต้องมีแน่นอนเลยนะเพราะน้ำเนี่ยคุณแน่ไหมแ น, แน่ใจได้ไหมว่ามันตกอยู่ที่นู่นอยู่ที่เชียงใหม่น้ํานั้นไปอยู่ทะเลได้ ใช่ไหมเขาบอกน้ําเนี่ยที่ตกฝนตกที่เชียงให ม, ม่วันหนึ่งไปอยู่ที่ทะเลเราเชื่อไหมแน่นอนมันต้องไปงไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องไปถึงใช่ไหม <c oughs> อ่ามันต้องไปถึงน้ําทุกหยดไปรวมกันที่มหาทะเลมหาสมุทรเหมือนกันเมื่อเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปสู่มหาสมุทรสี่แห่งห่วงน้ำสี่มหาสมุทรมหาสมุทรอะไรบ้างหนึ่ง กาโมคห่วงมหาสมุทรแห่งกวามแห่งความอยากทั้งหลายเป็นห่วงมหาสมุทรที่1 2. ทิฏโขคะห่วงมหาสมุทรแห่งความคิดความเห็นและสติปัญญา 3. าพะโวคะห่วงสมุทรแห่งความพบพบสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจความอยากทั้งหลายทั้งปวงสอวิโชคคือห่วงมหาสมุทรแห่งความไม่รู้ เือบวิชามีอยู่ส่ห่วงด้วยกันที่จิตของเราที่มันไหลไปเนี่ยมันจะไปบรรจุอยู่ในมหาสมุทรสแห่งนี้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนห่วงสมุทรให้เป็นห่วงแห่งธรรมสอย่างทําอะไรบ้างหทุกขันทุกสองห่วงแห่งสมุทรไทยสห่วงแห่งนิโรธ4ี่ห่วงแห่งมร อ่ามันจะต้องทุกแน่นอนอ่ะทุกแต่ที่นี่จะทําไงมันทุกมาจากไหนเราจะแก้ไขอย่างไรมีวิธีแก้อย่างไรต้องหาความรู้วิชาทั้ง4ีวิชาเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะวิชาห่วงแห่งวิชาห่วงทั้ง4ี่อย่างสอย่างนั้นเป็นห่วงของอวิชานะห่วงแห่งกามห่วงแห่งทิฏฐิควาแห่งพบห่วงแห่งอวิชชาแต่เราก็จะเปลี่ยนเป็นห่วงวิชา นั่นก็คือตัวศีสมาธิปัญญาวิมุตต์สีเมื่อกันดยอาศัยหลักของสติอวิยสัต4และสติประฐาน4สีลสมาธิปัญญาวิมุตตก็เรียกามาหาสมุดแห่งธรรมธรรมสมุดวิสีนั่นเองความรู้สึกที่ได้กล่าวไปมี่งี้ว่าเราจะต้องใช้ความรู้สึกเราอย่าใช่เหตุผลอย่างเดียว ต้องมีความรู้สึกรู้ษาด้วยว่ามนุษย์คนจะมีจิตมีใจคนจะมีน้ำจิตน้ำใจอย่างไรไม่อดเราเจริญสติเราจึงไม่ต้องใช้เหตุผลเราใช้ความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวความรู้สึกกับความคิดด้วยเหตุผลเนี่ยอันไหนเป็นไตรลักษณ์อันไหนเป็ น, นไมรสิขาตอบได้เป๊ะเลยนะ ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสัจจะที่มีอยู่ตั้งแต่เราเกิดแต่มันจะเป็นไตรสิขาได้ต่อเมื่อมันเกิดวิชาแต่ถ้าไม่มีวิชาความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกเคยชินใช่ั้ยรู้สึกเหมือนกันแต่เป็นความรู้สึกเคยชิ น, น, นเวลาคุณหิวคุณก็ไปกินเวลาคุณรู้สึกหนักเบาคุณก็เข้าห้องน้าเวลาคุณรู้สึกร้อนคุณก็ไปอาบรู้สึกหนักก็หาผ้าห่มแค่นั้นเองความรู้สึกเคยชิน เพราะนั้นความรู้สึกเคยชินนี้เราทั้งหลายกับสัตว์ท่านบอกว่ามันเสมอกันสี่อย่าง 1. ความรู้สึกเคยชินที่ในการแสวงหาที่อยู่อาศัย 2. ความรู้สึกเคยชินในการแสวงหาอาหารใส่ปากใส่ท้อง 3. ความรู้สึกเคยชินต่อการหนีภัย 4. ความรู้สึกเคยชินต่อการสือพันธุ์ นะท่านบอกว่าถ้ายกธทมออกเสียมนุษย์กับสัตว์ไม่ต่างกันด้วยความรู้สึกสี่อย่างนี้นะหาโรงหาหลังบ้านมันก็นกมันก็สร้างโวงสร้างหลังสัตว์ในดินก็สร้างรูสร้างหลังเป็นมนุษย์ก็สร้างบ้านแต่มันรู้หลากากว่าสัตว์หน่อยเท่านั้นเองนะนะแต่ว่าที่มันแย่กว่าสัตว์สัตว์ก็มีหลังเดียวรูเดียวใช่ไหมแต่มนุษย์เป็นไงหลายหลัง <laughs> หลายหลังหลายบ้านนะหลาย มีบ้านเช่าป เ, เป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยมันทุกข์กว่าสัตว์เนาะต้องทุกข์กว่าแน่นอนที่เราแย่ตรงนั้นเองนะตอนั้นเราแต่เราก็บอกเออมันสิวิไลนะมนุษย์มันสิวิไลมันทสามารถสร้างได้แต่ทุกไม่คิดถึงนะตอนั้นถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ใจความรู้สึกตัวที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อเพื่อหเห็นความสําคัญของความรู้ไม่ใช่ความสําคัญของความคิดและ ความรู้สึกตัวมันจะกลายเป็นความรู้ที่เป็นวิชาและปัญญาได้ต่อเมื่อมีสติสัมปชัญญะเข้าไปคอบคุมดังนั้นเราไม่ต้องไปสร้างความรู้แต่เรามาสร้างอะไรสร้างสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะไปแปลงความรู้ความรู้สึกที่เรามันมีอยู่แล้วความแก่นหนึ่งความรู้สึกที่เราเรียวกว่าพุทธภาวะเนี่ยมันมีมาก่อนเราไม่รู้ขี่มื่นกี่แสนชาติแล้วติดตัวเรามาเนี่ยเขาเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเนี่ย โพธิปัญญามันมีอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดแต่ว่ามันจะโตหรือไม่โตอยู่ที่ว่าเรามาดูแลเอาใจใส่ด้วยสติสัมปชะที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าหากดูแลเอาใจใส่ที่ถูกต้องเขาเรียกเป็ น, นตัวเมล็ดโพธิหนี้ก็เติบโตเป็นโพธิปัญญาดังนั้นพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นโพทุกพระองค์ประสูติใต้ต้นโพเอ่ยแตสรุปใต้ต้นโพหมดนะจะไปแดสรุปต้นอื่นไม่ได้ มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะจริงๆแล้วท่านจะสรู้ต้นโพธิ น, นั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่ดูแต่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของคำ ว, ว่าโพธิปัญญาคือหมายความตัวรู้ทุกตัวอยู่ในคนทุกตนเนี่ยต้องเติบโตภายใต้สว่างสวยภายใต้แหละสติสัสมมาชั ญ, ญาเพราะนั้นสติสมัมมาชนญาเนี่คือโพธิกําลังแห่งโพธิเพราะนั้นเราจึงมาโพธิมันน่อเล็กๆตัวเล็กๆอยู่เราก็มาสร้าง เพื่อที่จะเอาเกำลังของสติชั้นไปขับเคลื่อนตัวรู้สึกตัวนั้นไปในทางที่ถูกและเติบโตจนสามารถสว่างสมัยทำลายความมืดแห่งอวิชาชาเสียได้ตรงนั้นเมื่อทาลายอาวิชชาได้วิชาก็ปรากฏนะแต่เราจะบอกว่าไปทำลายอาวิชชาคือตัววิชานี่มันมีอยู่แล้วแต่การที่ มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างไปสัต์กัดกั้นความสว่างสวยของวิชามันก็ทำให้วิชาเปลี่ยนเป็นอวิชาเปลี่ยนอย่างไรเช่นวันนี้แสงพระอาทิตย์ส่องทั้งวันแต่มีบางวันฝากฏววันวันนมืดคลุ้มทั้งวันเราจะบอกว่าแสงพระอาทิตย์มัน มันไม่มีแสงหรือมันหดหายมันหดหูหรือว่ามันฝ่อไปเนี่ยได้ไห ม, ไ, มได้แต่จริงเป็นยังไงแสงเอาที่ยังส่องเท่าเดิมใช่ไหมแต่สิ่งที่มาทำให้แสงวัตถิดดูมันมืดมนไปก็เพรา ะ, ะสิ่งที่อยู่นอกแสงวัตถิดคือเมฆหมอกต่างๆนะเมฆหมอกนี่ก็ลอยขึ้นไป นั้นนั้นพุทธภาวะของคนทุกคนในสว่างสออยู่แล้วแต่บางครั้งเราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราขุนเราเห็นแกตัวเราโลภเรากุนเราหลงอันนั้นไม่ใช่เพราะใจดวงนั้นเป็นแต่เพราะอารมณ์ต่างๆที่มันเข้าไปอย่างหนานแน่นเหมือนกับเมฆที่มันสั่งสมขึ้นไปอย่างหนานแน่นมันไปบดบังเอาไว้ทําให้การมีเหตุมีผลหรือความความเข้าใจอะไรทีต้องมันหายไปเพราะว่ามีตัวนี้ไปบดบังเพราะฉนั้นการสร้างสติสมิญะไม่ได้หมายความว่า เพื่อจะไปเพิ่มไอ้ตัวแสงสว่างตัวนั้นไม่ใช่แต่เพื่อที่จะไปสลายก้อนเมฆเมฆหมอกต่างๆที่มันบดบังเนี่ยให้หมดไปเท่านั้นเองที่เราจะสลายมันอย่างไรไอ้เมฆหมอกของความคิดเนี่ยความคิดเป็นตัวก่อให้เกิดเมฆหมอกเราจัดการตัวคิดพเมฆหมอกที่จะไปแปลงเป็นเมฆหมอกของจิตของเรานะด้วยการ ใช้อะไรใช้เทคนิคใช้วิธีอย่างที่เราทำเลยนะเพราะตัวคิดเป็นตัวที่เหมือนกับเงานะเหมือนกัเงาตัวแสงสว่างเหมือนตัวรู้เนี่ยมันตัวแสงสว่างแต่เมื่อมากระทบวัตถุอย่างเมฆหมอกมันก็เกิดเงามึดแต่พอเมฆหมอกมันจางบางลงมันก็เกิดเงาเงาบา ง, บาง พอเมฆหมอกมันหายไปเงาก็หมดไปชันใดก็ดีเมื่อความรู้สึกตัวชัดเจนสวา่างแจ่อยู่แต่เมื่อมีเมฆหมอกของอารมณ์ต่างๆมาบดบงังถ้ามันหนาแน่นเกินไปเราก็เรียกว่าเมฆหมอกแห่งราคาบารรระบางเมฆหมอกโทสะบังเมฆหมอกโทมหะบางังแต่พอเรามาเจริญสติสมัยะมาสลายความคิดที่มันเปลี่ยนเป็นาราคะโทสะโมหะพอความคิดมันหายไปราคะโทสะโมหะก็ไม่มีที่ตั้ง ความขุ่นมัวก็หายไปง่ายๆเมฆหมอกบนอากาศบนฟ้าเนี่ยมันก็แก้ไขา ย, ยากเป็นธรรมชาติแต่เมฆบอกในจิตในใจเนี่ยแก้ไขง่ายเพียงแต่ว่ามาขาจัดต้นตอคือความคิดปรุงแต่งซึ่งเหมือนเสมือนเงาเนี่ยโดย ก, การปรับแสงกับวัตถุเนี่ยให้มาตรงกันซะมันก็ไม่เกิดเงาวัตถุนั้นมันมันก็เคลื่อนไหวเรื่อยมันเช็คมันเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยเราก็ต้องพยายามปรับให้มันนิ่ง แส ง, งมันนิ่งอยู่แล้วล่ะนะแต่มาปรับไอตัวกายของเราเนี่ยมาปรับตัวกายของเราเให้มันไม่ให้มันไหลไปตามอารมณ์หรือตามความรู้สึกนะให้มันมีความมั่นคงในตัวปรับได้คอนโทรลได้ไม่ให้มันเป็นอนัตตาเกินไปนะให้มันเป็นตัวสติปัญญาสามารถปรับให้ตรงความรู้สึกกายรู้สึกใจให้มันตรงกัน พอกายใจรู้สึกตรงกันปับ๊บความคิดก็ไม่ปรากฏเหมือนกระแสงนวัตถุตรงกันปับ๊บเงาก็ไม่ปรากฏความคิดกับความรู้สึกเราไม่ใช่กายกับความรู้สึกตัวตรงกันปับ๊บมันก็จะไม่เกิดความคิดแล้วค่อยปรับเรื่อยๆจนกระทั่งมันชํานาญปรับจนชํานาญเงาก็ไม่ปรากฏนะอันนี้คือหน้าที่ของเราคือปรับด้วยการสร้างสติสัมยะให้ไวเพื่ออะไรเพื่อให้ทันตบ การเปลี่ยนแปลงของกายตัวนี้ที่มันพยายามเปลี่ยนแปลงทำปฏิรูปในร่างก็ปรับแล้วปรับอีกเหมือนเราปรับนิญบดอะปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละปรับให้จิตมันมาอยู่ในปัจจุบันแต่มันขยับออกซ้ายนิดนึงขยับออกขวานิดนึงก็เปลี่ยนเป็นความคิดแล้วเหมือนก็ขยับออกอดีตอนาคตเพอจิตออกไปอดีตอนาคตความคิดปรากฏถ้าไม่มีอดีตอนาคตความคิดปรากฏไม่ได้ดังนั้นก็ปรับจิตมาอยู่ปัจจุบันเพราะจิตปัจจุบันฟับความรู้สึกตัว ความรู้สึกกับกายตรงกันปั๊บเงาคือความคิดก็หายไปอันนี้คือหลักการง่ายๆนะแต่เราจะต้องทำแล้วทำอีกให้เกิดความชำนิชำนาญแล้วฉลาดในการปรับขยันในการปรับดังนั้นการปรับแล้วปรับอีกเราเรียกว่าความเพียรนะความเพียรในสถานต่างๆอันนี้คือความหมายทั้งหมดของการทำไมต้องสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเพื่ออะไร มี question ไหมมีคำถามเลยไหมก่อนที่เราจะจบชัดเจนไหมหาชัดเจนไม่สงสัยถามได้นะอืมเพื่อเราจะได้แจ่มแจ้งมากขึ้นกวนี้ตรงไหนที่สับสนแต่เราใช้ภาษาสมมติทุกข้างเยอะเนาะภาษาสัญลักษณ์ก็เพื่ออะไรเพื่อสือให้เห็นเข้าใจชัดๆนั่นเองแล้วเข้าใจไม่ชัดตรงไหนก่อนทั้นทงนี้เราสื่อความหมายให้เห็นว่า หลักของความรู้สึกตัวมีความสําคัญ <c oughs> แต่มันจะสําคัญได้ตรงที่ว่าเราจะต้องมีสติสัมยาช่เข้าไปจัดการถ้าไม่มีสติสัมยาเข้าไปจัดการความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเข้าไปจัดการแทนความพอใจไม่พอใจพอใจมันติดเป็นนิสัยอยู่แล้วล่ะอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ฉันรับได้อย่างนี้ฉันรับไม่ได้ทํางานอยู่ตลอดนะวารุสังกิรุตแต่พอเรามาฝึกสติสัมยารับได้ไม่รับได้ก็ดูมันเฉยเฉยนะปรับได้ ปรับๆรับไมได้ก็เฉยๆนะมันก็ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรสงสัยก็เอาแค่นี้เนาะวันนี้เหนื่อยทั้งวันละคอนมุทนาสาธุที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปน ะ, นะกลับพระพร้อมกัน